บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธารชนทั้งหลายสืบต่อไปอ เ, เรื่องอวิชชาคือความไม่รู้นั้นเป็นรากง่าวของสรรพกิเลส ท, ทั้งหลายเมื่อจะพูดกิเลสโดยย่อรหรือว่าโดยพิสดารก็ตามต่อาสาวย้อนกลับม า, า, มม า, ก, าปปก็จะไปเจอตัวอวิชชาซึ่งถือว่าเป็นรากใหญ่ ดั้บุคคลในโลกนี้ที่ทำลายวิชาได้จริงๆก็มีเฉพาะพระอระหันต์ทั้งหลายเท่านั้นได้แก่พระพุทธเจ้าพระปฏิเจกาพพุทธเจ้าและพระหันตราสาวกเท่านั้นเท่านั้นก็ทำได้แค่ลดความรุนแรงของวิชาลงไปความไม่รู้ในสาเหตุของทุกข์ซึ่งโดยทั่วไปจะทรงใช้คำว่าตหาทั้งสามประการนั้น เพงสังเกตว่าตัณหาเป็นตัวแทนของกิเลสทั้งหลายและเป็นอาการของกิเลสครบทั้งโลกปุจลงกรมตัณหาเป็นเรื่องของความรู้สึกปรารถนาคอยคว้าต้องการอยากได้อยากมีอยากเป็นสิ่งที่ตนใคร่ปรารถนาพอใจเพราะว่าตัณหาที่แปลว่าความอยากเป็นอยากเป็นนั่นเป็นนี้เป็นโน้น ตามที่ตนต้องการสถานะนั้นซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเราสาวลึกลงไปว่าทำไมคนยังอยากเป็นเราตอบไปว่าเพราะเขารู้สึกว่าความเป็นก็ดีความได้ก็ดีนั้นเป็นสุดยอดปราตาดาของชีวิตจนถึงคิดเลยไปว่าสิ่งที่ตนได้กับสถานะที่ตนเป็นนั้นเป็นความเชียงแท้นแน่นอน จะไม่มีการแปลผันไปเป็นอย่างอืง่นด้านั้นเวลาเขาประสกบกับการไม่ได้ตามที่อยากได้ไม่ได้เป็นตามที่อยากเป็นก็จะเกิดความทุกข์ความโกรธความเสียใจยความคลับแค้นใจทีนี้สมมติว่าเขาได้ตามที่อยากได้แล้วก็เป็นตามที่อยากเป็นก็จะเกิดความมีตกหงวงยัยกังวลในสิ่งที่ตนได้แล้วในสถานะที่ตนเป็น ก็มีการพยายามคุ้มครองดูแลรักษาป้องกันกันโดวยวิธีการต่างๆและพอสิ่งที่ตนได้กับสถานะที่ตนเป็นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็จะเกิดความชื่นชมโสกประนัดเพราะว่าปริมาณของตันหานั้นได้รับเชื้อเพิ่มขึ้นจิตใจคนก็อยากต่อไปอยากได้ต่อไปอยากเป็นต่อไป ไปตามสภาพจิตที่ท่านแสดงไว้ว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นาธาตุของตันหานเพราะโดยสภาพของใจที่ไขว่คว้าปรารถนาความได้ความมีความเป็นเมื่อไปเพิ่มขึ้นเราก็เกิดความพอใจแต่จริงแล้วสิ่งที่เราได้ก็ดีสิ่งสถานะที่เราเป็นก็ดีนั้นก็ตกอยู่ในกฎของปัจจัยลักคือไปของไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาของเขา เขจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็ออาศัยเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีก็ออาศัยเหตุปัจจัยเในปัจจัยนั้นมาจากภายนอกบ้างมาจากภายในบ้างซึ่งหมายความว่าถ้าคนไม่ได้เตรียมใจตอนรับไว้ทั้งสองด้านแต่ว่าต้อนรับสิ่งเหล่านั้นตามกระแสของตัณหาคือความอยากได้อยากเป็นอีตอนก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเราก็ชื่นชมยินดี แต่เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีมีการพลาดพลาดสูญเสียมีการแตกหักทาลายมีประสบภัยจากกุทกรภัยจากวาตาภัยจากอาคาศภัยจากโจรผู้ไร้จากหยานดนิสสาหัยที่มีความคิดมีการกระทําเป็นศัตรูคนก็จะเกิดความแค้นเคืองต่อคนที่มาทําให้ตนพลาดพลากสูญเสียจากสิ่งที่ตนได้สถานะที่ตนเป็น แต่ก็จะเศร้าโศกเสียใจเสียดายถึงสิ่งที่ตนเคยไดยค้คือเป็นซึ่งเราเห็นว่าตรงนี้ก็ไปเพิ่มกิเลสครับหมายความมาเพิ่มกิเลสประเภทอาฆ า, าตพยาบาทในตัวคนเพิ่มกิเลสประเภทความอยากได้อยากเป็นในตัววัตถุสิ่งของแล้วก็เพิเกิดความทุกข์เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นประทักจากไป สาธุชนทั้งหลายเห็นว่าในจุดนี้เองมันก็มีตัวทุกข์แล้วก็เหตุเกิดแท่งทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากการพ ร, รากสูญเสียตัวกิเลสนั้นยังไม่ลดลกไปแต่จริงเ่านั้นเขาก็แตกทำลายไปเราก็ไม่จะทำยังไงก็มีแต่ใจก็รู้สึกเสียดายมีความเศร้าโศกร่ำรําพันกั้วิธีการต่างๆ ในขณะเดียวกันถ้าคนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพระพรากสูญเสียเราั้นเราจะโกรธทุกคนจะฆ่าปัญาบัตตัวคนที่ทําให้เราต้องพระพรากสูญเสียในขณะเดียวกันเชื้อของตันหาเดิ ม, มก็จะเผยความปรารถนาต่อไปเพื่อ น, นํามาชดเชยสิ่งที่สูญหายไปถึงในกรณีนี้ถ้าวิชาเขาแรงจะทําทให้ตันหาแรงจะทําทให้ กรรมตัณหารแรงเพราะว่าตัณหารแรงจนถึงก็อยากได้ในสิ่งที่ตนเสียหมายความว่าสิ่งอื่นไม่ต้องการแต่ขอให้ได้ในสิ่งที่ตนเสียไปบางครั้งก็มีปัญหารแรงว่าไอ้สิ่งที่เสียไปนะั่นคือเสียไปแล้วไม่จะเอาจากไหนมาให้การชดเชยการทดแทดนบางทีก็าทาได้แต่เพราะวิชากดมากไป วัตนามากไปเขาไปปักใจว่าต้องได้คนที่ตนหายไปตนเสียไปและได้สิ่งที่ตนเสียไปเช่นสมมติแหวนหายไปจากวงหนึ่งก็ต้องได้แหวนวงนั้นกลับมาถ้าได้แหวนวงอื่นมาแม้จะสวยกว่าแม้จะดีกว่าแม้จะราคาแพงกว่าก็ไม่ชอบใจเมื่อเราไม่ชอบใจเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจในตัวแหวน จะรู้สึกโกรธในตัวคนจะรู้สึกเสียดายในแหวนที่หายไปความทุกข์ก็คงเกิดขึ้นไปในจิตใจเขาต่อไปแต่ตอนลดละลงไปได้บางการจะเกิดการประนีประนอมมาก็เอาแหละแหวนวงเก่าหายไปแล้วเอาแหวนวงใหม่ก็แล้วกันพอได้แหวนวงใหม่เราก็ทําใจยินดีได้มันก็สงบความทุกข์ไประดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันตัวแหวนตัวนั้นเองก็เป็นวัตถุการ ถึงตกอยู่ในสภาพของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเพราะนัพระแหวนวงนั้นเปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่กระแสเดิมอีกที่ใจของบุคคลเราก็หมุนวนกันอยู่ในลักษณะนี้เพราะเราจะเห็นว่าการที่พระเจ้าทรงสอนให้สืบสาวไปถึงที่มาจริงๆคือตัวกิเลสเนี่ยเพื่อต้องการจะให้มองเห็นโทษชัดแจ้งตามความเป็นจริงแล้วก็ไปทําลายตัวสาเหตุแห่งความทุกข์เหล่านั้นดอกเสีย ถึงความคิดในกระแสนี้ท่านสาธาชนทั้งหลายคุณนึกออกว่าจริงพระพุทธเจ้าท่านก็นเคยคิดมาตั้งแต่เป็นราชกุมารเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็ทรงนํามาเชื่อมกันว่าความความตายในจริงก็มาจากความแก่มาจากความเจ็บความเจ็บเองก็มาจากความแก่ความแก่เองก็มาจากความเกิด และ ใ, ในสู่ก็มองไปมองมาว่าถ้าไม่เกิดเนี่ยแก่เจ็บตายก็ไม่มีปัญหาใหญ่ในชีวิตของคนเราที่เรียกว่าสภาวะทุกข์คือเกิดแก่ตายเนี่ยคือแก่เจ็บตายเนี่ยนั่นก็มาจากความเกิดเพราะความคิดของพระองค์ก็ต้องการที่จะทํำลายตัวความเกิดเพื่อห น, นีอะไรเพื่อห น, นีความแก่ความเจ็บและความตาย นั่นคือความคิดในตอนต้นที่ตอนอยังเป็นประโพธิสัตร์ยังไม่ได้เสร็จออกโนวดยังไม่ได้จัดสรุปแต่เมื่อทรงบาเป็นเพียนทางจิตได้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นมีจิตใ จ, ใจสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสไม่มีอาการของกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตพร้อมที่จะคิดในลักษณะสืบสาวให้มากขึ้นไปยิ่งกว่านั้นก็ทรงเห็นว่าตัวความเกิดจริงๆมันก็เป็นผล ซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุคือกรรมที่จําแนกให้คนออกแตกต่างกันอย่างใทรงแสดงว่ากรรมเป็นผู้จําแนกแบ่งแยกให้คนเลวและประณีแตกต่างกันเพราะการเกิดสกุลสูงสเกิรนต่ำนะสกุลต่ำอายุยืนอายุสั้นพิษพันธุ์ดีพิษพันไม่ดีฐานะมัง่งคั่งร่ำรวยฐานะยากจนมีศักดิ์มีบารมีมากมีบารมีน้อย มีสติปัญญาดีสติปัญญาไม่ดีอะไรตไร่างต่างเอราก็จริงแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่เกิดขึ้นมาจากการจำแนกของกับเพราจึงสืกสาวไปว่าตัวความเกิดนี่มาจากอะไรก็ส่งเห็นว่าความเกิดมันมาจากพบคำว่าพบนั้นก็คือที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตแบ่งโดยสรุปหมด ก็กลายเป็นการมาพบรูปพพบประลุปปปะพบกามาพบเป็นโลกเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตมีรูปร่างที่สามารถสัมผัสได้ด้วยตาธรรมดาก็าเรียกว่าดูเห็นด้วยตาเนื้อเพื่อบ่ายสี่นะมนุษย์หนึ่งและสวรรค์หกถึงบางอย่างก็ไม่เห็นด้วยตาเนื้อพะเป็นกําเนิดประเภทพิเศษที่เรียกว่าโอปปาติกะคือเกิดโดยผุดขึ้น การจะพบเห็นบุคคลเหล่านี้ได้ก็ต้องอาศัยการมาเปลี่ยนเปียนดังจิตจนได้ที่ปจกักษสุหรือเราก็เป็นคนธรมรมดาธรมรมดานี่แหละท่านแสดงตัวให้เราเห็นต้องการติดต่ออะไรกับเราเราก็เห็นท่านได้นั่นก็คือการมาพบรูปประพบนั้นเป็นรูปที่ละเอียดซึ่งต้องเห็นเลยที่ปจักษสุ เป็นที่อยู่ของท่านซึ่งได้ปฏิบัติพัฒนาจิตใจมาโดยลำดับจนได้บรรลุสมาธิในชั้นต่างๆจนถึงบรรลุฌานในชั้นต่างๆก็กลายเป็นพรมไปบังเกิดในในรูปภพท่านที่ปฏิบัติพัฒนาจิตใจมีความสุงบปานนี้ขึ้นไปยิ่งกว่านั้นก็บังเกิดในรูปในอรูปภพคือไม่มีรูปมีแต่สุขมีแต่ขันธ์สี่คือมีเบชนาสัญญาตั้งขาน บิญญาณก็ามาประกอบกันเป็นกลุ่มของนามธรรมไม่พอใจไม่ติดใจอยู่ในรูปที่ถามาพบตรงนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาจากสังขารพบคือสิ่งที่ปรุงแต่งให้เกิดพบได้แก่บุญบาตและอเนินสาคนเรานั้นทำกรรมไว้แตกต่างกัน ทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างทำกลางกลางบ้างดีมากบ้างดีน้อยบ้างไม่ดีไม่ดีมากบ้างไม่ดีน้อยบ้างกล า, างกลบ้างก็ทำให้เกิดมีการจำแนกพบขึ้นมาอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงสภาพของการบังเกิดในพบ ต, ต่างๆลังจมัาสารุแล้วจะทรงแสดงว่าคนที่ทำบุญเอาไว้ ย, ย่อมบันทึงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันทึกเขาจะบันทึงในโลกทั้งสองพระองเห็นว่า ตนได้ทําบุญไว้แล้วนั้นก็แสดงว่าตัวบุญซึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าสังขารสังขารระพบนั่นเองเป็นตัวจำแนกเป็นตัวยกระดับจิตใจของบุคคลเรานั้นให้มีจิตใจที่ประนีตบ้างยิ่งขึ้นเมื่อตายไปแล้วก็บังเกิดไหนสุกติบ้างในภพมโลกบ้างแต่ถ้าหากว่า จริงที่เขาก็ทำนั่นเป็ น, ปนบาปก็จําแนกให้เกิดเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนดับต่างๆตามความหยาบกลางความธรรมดาธรรมดาของบาปแต่นั้นกรรมจึงเป็นผู้จําแนกแบ่งแยกคนในพระณีแตกต่างกันและกรรมนั่นเองก็เป็นที่พึ่งแต่เวลาเป็นที่พึ่งท่านเรียกว่าเป็นบุญเห็นทรงแสดงว่าปุญญานี้ปรโลกก็สมิงเป็นทาวอุติบาทนินัง บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ท่างหลายผู้บำเพ็ญบุญทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นในกระบวนการตรงนี้หมายความม่าพบนั้นจึงเกิดขึ้นมาจากบุญจากบาปจากเนรชาคำว่าเนรชานั้นเป็นสภาพจิตที่ไม่หวั่นไหวหมายความว่าท่านผู้นั้นบำเป็นเพียรทางจิตมานานและประสบความสำเร็จในทางจิตจนจิตนั้นไม่พอใจไม่ยินดีไม่ติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแต่ว่าติดในตัวอารมณ์ เปสิ่งที่เป็นนามธรรมอาจจะนั่งเพ่งดูอากาศหาที่สุดไม่ได้จิตใจไม่เกี่ยวเกาะอยู่ด้วยอารมณ์อะไรหรอกแต่ถ้ามันตั้งตั้งตัติดอยู่ในอากาศหรือบางทีก็ติดอยู่ในวิญญาณว่ถือวิญญาณนั้นไม่มีที่สิ้นสุดแต่จิตก็เพ่งดูวิญญาณอยู่ไม่ได้สนใจใส่ใจในเรื่องอื่นเป็นต้นนั้นก็แสดงเห็นว่าท่านไม่พอใจติดใจในส่วนที่เป็นรูป แต่จะพอใจติดใจในส่วนที่เป็นนามเป็นสุขเวทนาต่างๆเช่นใกลเช่นภพฤษีชีพรพวกพระพุทธองค์กรรมฐานต่างๆท่านเหล่า น, นี้ไม่พอใจติดใจในสิ่งที่สวยงามในสิ่งที่รู้ราสะดวกเครื่องอำนวยความสะดสบายภายในสังคมแต่ตอนนี้ต่นนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ติดใจ ทานก็คงติดใจแต่ติดใจยอยู่ในสุขกะเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเจริญสมาชิเจริญสมถกรรมฐานมีปรสนากกรรมฐานจิตใจของท่านมีความส ง, งบแต่ก็เป็นสุขด้วยความส ง, งบตรงนั้นไม่ปราถนาข่อยพาในวัตถุสิ่งของต่างๆแต่ไปจิตใจของท่านจริงๆก็หลุดพ้นด้วยการข่มใจไวปทานั้นเอง ไม้หมาความกิเลสทั้งหมดเพียงแต่ว่ากิเลสมันสงบหรือถูกสยบไวปพอถึงจุดหนึ่งเมื่อท่านตายไปแล้วตั้งบังเกิดในรูปประรมบ้างเปในรูปประรมบ้างที่เรานำมาสวดแผ่ส่วนกุศลกันประสาทที่มีขั้นหน้ามีขั้นหนึ่งมีขั้นสี่สแสดงุ่าศสนายอมรั บ, บประสาทในชีวิตทั้งหลายในโลกนั้นมีขัน คือรูปเวทานาสัญญาทางกันวิญญาแต่บัรดาบาครบหรือไม่ครบสัรว์โลกตัวตัวไปก็จะมีขันครบตั้งข้าคือมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสแล้วก็มีธรรมารมแต่ว่าบางชนิดนั้นจะไม่มีในส่วนที่เป็นเป็นนามธรรมหมายความจิตใ จ, จสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิจนไม่หวั่นไหวอะไรแล้ว ก็จิตสงบอยู่ลึกท่านจะเรียกคนเหล่านี้ว่าพรหมลุกฟักบ้างเรียกว่าท่านที่เข้านิโรธสมาบัติบ้างเรียกว่าสัญญีสัตตาบ้างคือสัตว์ที่ไม่มีสัญญาไม่มีเวทนาอะไรเครจะทำอะไรก็รู้ร่ง า, ร า, งางกายของท่านกระด้าแต่ไม่รู้สึกอะไรจนถึงกับท่านที่ไม่ใส่ใจสนใจในรูปแล้วก็มีเฉพาะกลุ่มของจิตล้วน คือประกอบด้วยเวทนาตันยตียรังการวิญญาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มพลังงานของพลังของธรรมะแต่ตอนนี้ทอนนั้นอาจาวันท่านเองก็ไม่หวั่นไหวอารมณ์นั้นไม่หวั่นไหวในโลกแต่ไม่หวั่นไหวตราบเท่าที่ท่านยังอยู่ในอรูปฌานเหล่านั้นอรูปฌานเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะพวกนี้ที่จริงเขาเรียกว่ากุปฐธรรมคือเสื่อมได้ทั้งหมด บางทีก็ทํามาดีๆแล้วก็ทํานองคล้ายๆกับเราไหว้น้ำไหว้น้ําหรืออาจจะไต่เชือกขึ้นไปก็ไหว้ไปได้เยอะพอดีโดนคลื่นแรงๆกระทะอกทีเดียวมือที่เกาะเชือกห ย, ยุดหลุดถูกเชือกก็พัดพันลงมาอีกแยะถ้าคนขยันคนฉลาดก็ต้องพยายามใหม่พยายามไปเรื่อยๆหกลบหกลกไปบ้านก็ไมเป็นไร แล้วก็ไม่มีผลอะไรที่จะเกิดขึ้นโดยการขาดความเพียรพยายามก็สืบสาวต่อไปว่าเอาก็จริงแล้วพบเนี่ยมันมาจากอะไรก็ทราบว่ามาจากจิตที่ยึดมั่นถือมันที่เ ร, เรียกอุปาทานคือความยึดมั่นถือมัน่นคราวนี้ท่านสาชนทั้งหลายลองสังเกตว่าความขุนมัวคือจิตใจที่เป็นบาปเกิดขึ้นในขณะจิตปัจจุบันไม่ต้องเอาไกลก น, นั้น เราดูที่ใจปัจจุบันมันมีปัญหาต่างๆ่เป็นอันมากที่ในเรื่องราวในอนดีตเกิดขึ้นแล้วในอนดีตที่จริงแล้วมันก็ดับไปแล้วในอนดีตแต่เรายังมีความสิเนห์หาอันไลยังมีความบาคาดแค้นพยาบาทยังมีความทุกข์โทมนัน้น รลุ้มเหลือเกินทุกข์เหลือเกินไม่สบายเหลือเกิ น, อ, นอึดอัดได้เกินถามว่าเรื่องอะไรเรื่องไกลมากๆบางคนหมดอะไรตายอยากในชีวิตจนถึงฆ่าตัวเองหรือบางทีก็เลยเถิดไปึงฆ่าคนฆ่าลูกฆ่าหลานกลัวลูกอยู่ไปจะรับความทุกข์แต่ตัวเองก็คิดว่าถ้าฆ่าตัวเองตายแล้วจะรับความสุข ตระเห็นได้ว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการของอวิชชาให้บังเกิดตัณหาในแนวของวิปวัตนาคือไม่ต้องการจะอยู่คิดว่าถ้าไม่ต้องการจะอยู่แล้วตนก็จะหลุดพ้นจากบบความทุกข์ความจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเเพราะทำอย่างนั้นจะยิ่งหนักหนาสาหัสอาการมากยิ่งขึ้นนอกจากแสดงเห็นว่าเราแพ้แพ้ต่ออารมณ์โลก พี่น้องก็จะพลอยเดือดร้อนตามไปแล้วก็ตายไปแล้วก็บังเกิดในทุกเกิดติดเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าปัญหาต่างๆถ้าเราหยุดคิดดีเช่นบางคนน้อยใจสามีพันยาไม่รักไม่อืบเฟื้อไม่เอาใจใส่สมัเลเทพเมาอะไรก็ตามแหละแล้วฆ่าตัวเองประชดซะเลยนั้นเราเห็นว่าอุปาทานเนี่ยมันแรงไปดึงเรื่องอดีต เข้ามาเก็บกรัดรุ่มเร่าร้อนกันในปัจจุบันการเป็นการสร้างปัญหาหแก่สุขภาพจิตของตัวเองในปัจจุบันและชีวิตทั้งชีวิตตัวเองนี่มาทุ่มเทกับเรื่องคนคนอื่นซึ่งเพิ่งเจอกันระหว่างทางแต่นั้นเองเรามองย้อนกลับไประหว่างเรากับสามีกับปัญญาก็ตามสามีก็ตามปัญญาก็ตา ม, า ม, าาตามแม้แต่เพื่อนฝูงก็ตาม เป็นคนมาเจอกันระหว่างทางแต่นั่นเองแต่ว่าคนกลับไปให้ความสําคัญกับคนเหลนี้มากเลยเกิดจนถึงยอมตายทาไม่ได้ไม่ได้ครอบครองบุคคลนั้นไม่ไม่ได้ครอบครองสิงเดียวนั้นเพลักษณะของอุปาทานเนี่ยถ้าเขายังมีอยู่ตราบใดความทุกข์ในกระบวนการนั้นหลายก็ต้องมีอยู่ตรบาบนั้น บ า, บางทีพระเจ้าทรงสอนในแนวที่ให้เราหยุดคิดเพราะความทุกข์ทั้งมวลจริงๆแล้วมันเกิดจากกิยึดมันถือมันเอาเท่านั้นเด็เพราะอะไรเพราะเรื่องอดีตมันก็คือเรื่องอดีตใน่นอนเรามีการกระทําแล้วในอดีตดีบ้างไม่ดีบ้างกลางๆบ้า ง, ง, างแล้วการกระทําเหล่านั้นจะต้องชดใช้ให้ผลแก่เราตามสมควรแก่กรณีเหล่านั้น ผลที่เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันของเราไม่ได้หมายควา ม, มเกิดขึ้นจากกรรมในชาติปัจจุบันของเราเพียงอย่างเดียวมันอาจจะเกิดขึ้นจากอดีตกรรมอาจจะเกิดขึ้นจากกรรมในปัจจุบันจนเราประพฤติตนดีมาตลอดพอดีเพื่อนชวนไปเที่ยวเพื่อนเป็นคนขี้เมาแล้วก็ขับรถแล้วเกิดวบัติเหตุล้มตายหรือพิการ คนส่วนใหญ่นั้นจะคิดว่ากรรมบันดาลแต่เราลืมไปว่าอาจจะเป็นเรื่องการครบหาสมาคมคนกับคนไม่ดีที่ให้โทษแกเขาในขณะนั้นก็ได้สมมติว่าเขาไม่ยอมนั่งรถไปกับเพื่อนทึ่ประมาทและก็เม า, ลาเลาาในขณะขับรถไอ้รถต้องคงตกถน น, นแต่ว่าเรานั้นจะไม่เดืดร้อนเพราะเราไม่ได้ไปกับเขา เพราะนันตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องปัจจุบันล้วนๆคือการเชื่อมต่อว่าผลอะไรมันมาจากเหตุอะไรในรูปสังสารวัตรหรือแม้ในรูปปัจจุบันนมันไม่ลงตัวอย่างนั้นสมมติว่าจะจะเชื่อมโยงได้ก็เป็นการเรื่องอนสันนิฐาน เนว่าเราเองเคยฆ่าคนมาแล้วก็ถูกคนอื่นก็ฆ่าเดี๋ยวไปฆ่าลูกเราฆ่าเมียเราฆ่าสามีเราแล้วก็นึกว่านี้ยเป็นกรรมในอดีตที่ทํามาให้ผลเราต้องชดใายซึ่งอาจจะไม่ตรงตัวอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีใครรู้หรอกว่าผลเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแก่แก่เราในขณะนั้นเพราะกรรมทั่วในชาติปัจจุบันหรือว่ากรรมชั่วในชาติก่อนหรือกรรมชั่วในชาติก่อนก่อน พระลักษณะของกรรมนในการให้ผลของกรรมทรงแสดงว่าเป็นการให้ในปัจจุบันเป็นการกระทำในปัจจุบันแล้วให้ผลกันในปัจจุบันการกระทำ ใ, ในปัจจุบันจริงแต่ให้ผลในอนาคตการกระทำในปัจจุบันแต่ให้ผลในอนาคตพบชาติสืบๆกันไปเพราะนเอาจิงๆไม่ค่อยแน่อะไรเพียงแต่ว่าที่แน่นอนที่สุดก็คือว่า ความทุกข์เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากกวารชั่วความสุขเป็นผลที่เกิดขึ้นาจากการกระทำดีนี่เป็นเรื่องแน่นอนจะไม่มีเปลี่ยนแปลงในตัวขบันเองแต่เรื่องของผลนี่เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันนั้นไม่ควรจะโยนให้อดีตมากเกินไปเพราะอาจจะเป็นเรื่องของความประมาทพลาดพลั้งเผลอเรอของเราในขณะนั้นๆก็ได้หรือาจจะเป็นเรื่องของอดีตก็ได้ วันบางทีจึงทรงสอนว่าการโดยสรุปแล้วความทุกข์มันเกิดขึ้นจากจิตใจมันถือมันนั่นเองถือมันโดยความเป็นของเรามากเท่าไรความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นความเป็นเรามากเท่าไร่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นมากเท่านั้นความเป็นตัวเป็นตนของเรามากเท่าไรความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นและจึงศึกษาสอบสืบสาวต่อไปว่า อ, อุปทานเนี่ยเราไม่ไม่ได้มันต้องมีให้ยึด ถ้าไม่มียึดมันก็ไม่ได้ยึดอะไรอย่างที่ท่านบอกว่ามีทองธนวดกุ้งนอนสะดุง้งจะเรือนไหวคือหมายความถ้าไม่มีทองมันก็ไม่นอนสะดุง้งแต่ที่นอนสะดุง้งนั้นก็เพื่อสืบทองเป็นของเรากลัวคนจะขโมยรักจะขโมยไปป้นใจที่ยึดมันม่นถือมั่นในสัตว์ในสังขารทั้งหลาย จะ ย, ยึดบ้านโดยหน้าของกลาวก็ดีโดยทิฏฐิก็ดีด้วยอวิชาก็ดีก็คือกันเป็นนีตได้เกิดความทุกข์ในระดับต่างๆพระทรงแสดงเห็นว่าตัณหาหิจใจที่ไขว่คว้าดิ้นรนปรารถนาอยากได้อยากมียาเป็นต่างๆแล้วก็ก็เกิดความดิ้นรนจนถึงก็ได้จนถึงก็เป็นแล้วความทุกข์มันก็สืบเนื่องมาจากการเป็นในจุดนั้น มีรรมตันหาเองมันมาจากไหนตันหาไม่ ไ, ได้เกิดขึ้นเฉยๆอยๆให้เราสังเกตว่าตันหาบางอย่างเป็ น, นันหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆที่เราเดินไปมีคนโฆษณาสินค้าอย่างดีพันนาสัพพคุณจะอย่างดีเมอก่อนเราไม่เกิดความอยากอะไรเลยแต่ก็พูดไปพูดมาทดลองให้ดูเราเห็นจริงเห็นจังจ ก, ก็เชื่อตามก็ไปเกิดความอยากได้ สมมติอยากได้แล้วสตางไม่มีพอจะซื้อเราก็ต้องหยิบยืมเขาเพื่อให้ได้นั้นแสดงเห็นว่าจิตนั้นตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาที่เรียกว่าเป็นเหยื่อของอมิตรพอเมืเ่อเป็นอย่างนั้นมันก็เกิดเป็นความสุขความทุกข์ขึ้นมาได้เกิดเป็นทุกข์กมัสุขขึ้นมาทีนี้ถามว่าทุกข์สุขทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง มันเกิดขึ้นจากการที่ตาได้เห็นรูปโูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นร่างกายถูกต้องจับเงินนองแข่งในใจตึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายถ้าเป็นสิ่งที่น่าปรารถนานเกิดสุขไม่น่าปรารถนาก็เกิดทุกข์ตาสิ่งที่เฉยๆธรรมดาธรรมดาก็ธรรมดาธรรมด า, รรมดาก็แสดงเห็นว่าเวทนานั้นเป็นปันจจัยเกิดตฐาแต่ตัณหามีได้เพราะเวทนาเป็นปัจจัยเหมือนกันจะถามเวทนามาจากอะไรมาจากผัสสะคือการกระทบกัางกลาง ใิการกระทบเนี่ยมันมาจากอะไรปรากฏว่ามาจากอายตนะภายในกับภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปสิ่งกินรสสัมผัสซึ่งอาจจะเกิดรักก็ได้ช่างก็ได้เฉยๆก็ไ ด, ไ ด, ได้แล้วแต่ว่าเรากำหนดสิ่งเหล่านั้นไวยังไงในความรู้สึกของเราไม่ใช่ความรู้สึกสากลพราะรูปรูปเดียวกันนั้นคนหนึ่งอาจจะเกิดชอบคนหนึ่งอาจจะเกิดเฉยๆคนหนึ่งอาจจะเกิดช่าง เราแสดงว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับใจเราที่ไปกําหนดค่าของสิ่งเหล่านั้นในฐานะอะไรทีนี้พวกอิยตนะเองคือตาหจมูกนึงกายใจเองมื่เกิดไปจากนามารูปมาความว่าเราก็มีชีวิตร่างกายขึ้นมาทีนี้การมันเกิดในกําเนิดต่างๆนั้นถามว่ามาจากอะไรเราก็กลับไปแนวเดิมคือมาจากบุญจากบาปจากอารูปฌาน แล้วพวกนี้มาจากอะไรจึงทำต้องเกิดอีกเพราะะไรเพราะว่าบุญบาปเนี่ยบุญเนี่ยของพระอาหารก็มีรูปฌานรูปฌานพระอาหารท่านก็เข้าได้แต่ว่าท่านไม่มีบาปท่านมีเฉพาะกุศลเที่ววโลกุตระกุศลเพราะอารมณ์ท่านจึงไม่หวั่นไหวไ ป, ไปตามความเปลี่ยนแปลงต่า ง, า ง, างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเราเห็นว่าเป็นการมองแบบสืบสาวถึงที่มาจริงๆ พอจะแก้ความทุกข์ทั้งมวลที่เกิดขึ้นในชีวิตมันก็ต้องแก้ที่ตัวอวิชายแก้ที่ตันหาแก้ที่อุปาทานหมายความพวกนี้เป็นกิ่งต้นจึงการของกันและกันตัดกิ่งออกแต่ว่าต้นไม่ถูกทำลายมันก็แตกกิ่งได้องเพราธรรมะปฏิบัติจึงมีอยู่สองระดับใหญ่ๆคือระดับที่กาเริบได้กับกาเริบไม่ได้หมายความที่กาเริบไม่ได้คือตัด ถอนรากถอนโคนไปเลยแล้วแต่ตับใดยังถอนรากถอนโคนไม่ได้นะความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในชีวิตของคนเราได้แนวสำคัญของพุทธศสนาจึงสอในให้บุคคลอยู่ด้วยความไม่ประมาทต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป